11. ทัพพระสิกขาบท134ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ร่วมกับสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันให้จีวรไปแล้วกลับติเตียนในภายหลังณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงราชครืถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับพักขีถาม เพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุบพัก ค, คีร่วมกับสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันให้จีวรไปแล้วกลับติเตียนในภายหลังในทัพาศิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสมสมุดฐาน